ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทํากับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทําแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจกทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษ คอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละเคอผู้ชี้ขุมทรัพย์ละควรครบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย ทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่8ว่าด้วยพิษสง์ทางใจ 1. ดาบที่หมกอยู่ในจีวอน 2. ยาพิษในโลก 3. ผู้ตกเขว 4. ผู้เห็นแต่จะทะเลาะวิวาท 5. ม้าพยศแปดจำพวก 6. ผู้มีความจำเป็นต้องคิดทำลายสงค์ 7. ผู้จมมิดในหลุมคูด 8. สันดานกา 9. พระรังโรค 10. ผู้ควรอยู่ในคอกไปก่อน 11. อผู้เกียดคร้านตลอดเวลาส2องลิงติดตัง 13. ลาเึกเพราะติดเมา รู้สับจากพระโอษฐ์หมวดที่แปดว่าด้วยพิสงทางใจดาบที่หมกอยู่ในจีวอนภิกษุทั้งหลายมหาชนเขารู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณนะสมณนะดังนี้ถึงเธอทั้งหลายเล่าเมื่อถูกเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรพวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญาณตัวเองว่าเราเป็นสมณนะดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าสมณนะ และปฏิญาณตัวเองว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้วพวกเธอทั้งหลายจะต้องสำเหนียกใจว่าข้อปฏิบัติอันใดเป็นข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณนะเราจะปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นด้วยการปฏิบัติของเราอย่างนี้สมัญญาว่าสมณะของตนก็จะเป็นจริงและการปฏิญาณว่าสมณะของเราก็จะสมจริงอันหนึ่งเล่าเราบริโภคใช้สอยบาทจีวร อ, อาหารบิณฑบาต เสนาสนะและกีฬานปั จ, จัจเพศบริขารของทายกเหล่าใดการบำเพ็ญทานของทายกเหล่านั้นก็จกมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่และการบรรพชาของเราเองก็จกไม่เป็นหมันเปล่าแต่จะมีผลเมียกาไรแก่เราดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสําเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามาก ยังละอภิชาไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้เป็นผู้มักเถอความโกรธยังละความถือโกรธไม่ได้เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านยังละความลบหลู่คุณท่านไม่ได้เป็นผู้ยกตนเทียมท่านยังละความยกตนเทียมท่านไม่ได้เป็นผู้ริษยายังละความริษยาไม่ได้เป็นคนตรนียังละความตรนีไม่ได้ เป็นคนโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้เป็นคนมีมายายังละความมายาไม่ได้เป็นคนมีปรารถนาลามกยังละความปรารถนาลามกไม่ได้เป็นคนมีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเพราะละกิเลสมีอภิชาเป็นต้นซึ่งเป็นเครื่องมวอมองของสมณะเป็นโทษของสมณะเป็นน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในอบาย และมีวิบากอันสัตว์ทั้งหลายจะต้องเสวยในทุกติเหล่านี้ยังไม่ได้เราก็ไม่กล่าวภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียมเหมือนอาวุธอันคมกล้ามีคมสองข้างที่เขารับไว้อย่างดีแล้วหุ้มห่อไว้ด้วยผ้าสังฆาติของภิกษุนั้นเองฉันใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการบรรพชาของภิกษุนี้ว่า เปรียบกันได้กับอาวุธมีคมสองข้างนั้นฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวความเป็นสมณะว่าเป็นสิ่งที่มีได้เพราะเหตุสักว่าการทรงสังคาติของผู้ที่ทรงสังคาติและถึงเป็นต้นเลย ยาพิษในโลกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนถ้วยสมฤธิ์มีเครื่องเดิมใส่อยู่แล้วชนิดหนึ่งสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ครั้งนั้นมีบรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังร้อนจัดมีความร้อนระอุไปทั้งตัวเหน็ดเหนื่อยคอแห้งระหายน้ำมาถึงเข้าคนทั้งหลายบอกแกบุรุษนั้นว่านี่แนีท่านผู้เจริญถ้วยดื่มสมฤธิ์ใบนี้มีเครื่องดืม่ม สมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสสำหรับท่านแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ถ้าหากท่านต้องการดื่มก็ดื่มได้เมื่อท่านกำลังดื่มจกติดใจมันด้วยสีของมันบ้างด้วยกลิ่นของมันบ้างด้วยรสของมันบ้างแต่ว่าครั้นดื่มเข้าไปแล้วท่านจากถึงความตายหรือรับทุกข์เจียนตายเพราะเหตุนั้นดังนี้บุรุษนั้นไม่ทันจะพิจารณาถ้วยดื่มสำริดอันนั้น ว่าจะควรเดิมหรือไม่ควรเดิมอย่างไรเป็นต้นรีบเดิมเอาเด่มเอาไม่ยอมวางบุรุษนั้นก็ถึงความตายหรือรับทุกเจียนตายเพราะเหตุนั้นฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดในอดิตการก็ตามในการอนาคตก็ตามในการบัดนี้ก็ตามก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเห็นสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิทใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุข โดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่เสียแทงโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมทําตันหาให้เจริญเมื่อทําตันหาให้เจริญอยู่ก็ทําอุปธิให้เจริญเมื่อทําอุปธิให้เจริญอยู่ก็ทําทุกข์ให้เจริญเมื่อทําทุกข์ให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรําพันธ์ ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากทุก์ดังนี้แหละผู้ตกเหวภิสูุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์พวกใดก็ตามยังไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับสนิทแห่งทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกขเป็นเช่นนี้เช่นนี้สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมยินดีอย่างยิ่งในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ําไรรําพันธ์ ความทุกข์กายความทุกข์ใจความครับแค้นใจเขาผู้ยินดีในเหตุป itan, ัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดนั้นนั้นแล้วย่อมก่อสร้างเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปเพื่อความเกิดเป็นต้นนั้นนั้นครั้นเขาก่อสร้างเหตุปัจจัยนั้นนั้นแล้วเขาก็ตกลงไปในเหวแห่งความเกิดบ้างในเหวแห่งความแก่บ้างในเหวแห่งความตายบ้างในเหวแห่งความโศกบ้างในเหวแห่งความร่ำไรราพันบ้าง ในเหวแห่งความทุกข์กายบ้างในเหวแห่งความทุกข์ใจบ้างในเหวแห่งความขับแค้นใจบ้างอยู่นั่นเองสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ําไรรําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้แหล เห็นแต่จะทะเลาะวิวาทพิกษุทั้งหลายพอทีพวกเธอทั้งหลายอย่าไม้มั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโตเถียงกันเลยอย่าวิวาทกันเลยดังนี้ถึงสองถึงสามครั้งเมื่อตรัสอย่างนี้แล้วมีพิกษุบางรูปทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามีขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถอพระเจ้าค่ะ ขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิดพระเจ้าค่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอจงทรงประกอบในสุขวิหารในทิฏฐธรรมอยู่เถิดพระเจ้าค่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจากทําให้เห็นดำเห็นแดงกันด้วยการหมายมั่นกันด้วยการทะเลาะกันด้วยการโต้เถียงกันด้วยการวิวาทกันอันนี้เองดังนี้การนั้นแลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองจีวรเถือบาท เสด็จเข้าไปสู่เมืองโกสัมพีเพื่อบินทบาตครั้นทรงเที่ยวบินทบาติในเมืองโกสัมพีแล้วภายหลังพัตการกลับจากบินทบาตแล้วทรงเก็บประคานขึ้นมาเถอไว้แล้วประทับยืนตรัสคทานี่ว่าคนไพร่ไพร่ด้วยกันทรงเสียงเอตโรแต่หามีคนไหนสำคัญตัวว่าเป็นพานไม่เมื่อหมู่แตกกันก็หาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไหม พวกบัณฑิตเลืมตัวสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพล่ามไปอย่างนั้นหาได้นําพาถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไม่พวกใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทําร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของพวกนั้นย่อมระงับไม่ลงพวกใดไม่ผูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทําร้ายเรา ได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของพวกนั้นย่อมระ ง, งับได้ในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระ ง, งับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระ ง, งับได้ด้วยไม่มีการผูกเวรทำนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาลคนพวกอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราจะแหลกรานก็เพราะเหตุนี้พวกใดสำนึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้น ความมุ่งร้ายกันย่อมระ ง, งับได้เพราะความรู้สึกนั้นความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทําตามกิเลสยังมีได้แม้แต่พวกคนกะละเหล่านั้นที่ปล้นเมืองหักแข้งขาชาวบ้านฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนม้าโคและขนเอาซับไปแล้วทําไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่าถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราดที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วไซ ก็จงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแคนซึ่งพิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับค น, านพาลพึ่งเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อยดูดช้างมาตังคะเป็นสัตว์มักน้อยเที่ยวไปในป่าเชนั้นดังนี้แล้วได้เสด็จไปยังภารกะโลณกาลคาม พยศแปดจำพวกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้าพยศแปดจำพวกและโทษแห่งม้าพยศแปดจำพวกนั้นด้วยเราจะแสดงบุรุษพยศแปดจำพวกและโทษแห่งบุรุษพยศแปดจำพวกนั้นด้วยพวกเธอทั้งหลายจงฟังในข้อนั้นม้าทิ้งรถภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้ว รับถอยหลังสลัดรถให้หลุดจากตนม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อแรกภิกษุทั้งหลายในอุปมานี้พวกภิกษุทั้งหลายโจ้ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้นโทกพิกษุ์ทั้งหลายโจ้ด้วยอาบัตอยู่ย่อมอัมพรางอาบัตไว้ว่าเขาพเจ้าระลึกไม่ได้ยังระลึกไม่ได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้น ในสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วกลับถอยหลังสลัดรถให้หลุดจากตนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อแรก ภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสาร์ธีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมหกหลังกระแทกทูก่หักไม้ตรีทันม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่สองภิกษุทั้งหลายผู้ภิกษุทั้งหลายโจวดภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัตภิกษุรูปนั้นถูภิกษุทั้งหลายโจวดด้วยอาบัตอยู่ กลับโต้แย้งว่าประโยชน์อะไรด้วยคำพูดของท่านซึ่งเป็นคนพานคนเขลาคนอย่างท่านหรือจะรู้สิ่งที่ควรพูดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมหกหลังกระแทกทูก่หากไม่ตรีทันภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบูนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลาย นักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบรุษพยศข้อที่สองมาแตะงอนรถภิกษุทั้งหลายมาพยศบางตัวในกรณีนี้ ถูกนายสารธีเติมด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมยกขาดิบขึ้นไปทางงอนรถแล้วเตะแล้วถีบงอนรถม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่สามพิสูทั้งหลายผู้พิษุทั้งหลา ย, ย, ลายโจภิษุรูปหนึ่งด้วยอาบัตพิกษุรูปนั้นถูกพิษุทั้งหลายโจด้วยอาบัตอยู่กลับยกเอาอาบัตให้แก่ผู้โจเสียเองว่า ท่านนาซิต้องอาบัติชื่อนี้ท่านจุงทำเคินเป็นคนแรกเสียก่อนเถิดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมยกขาเดี๋ขึ้นไปทางงอนรถแล้วเตะแล้วถีบงอนรถภิกษุทั้งหลายเร่ากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุ์ทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้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 ย่อมแกล้งเดินให้ผิดทางทําให้รถตะแคงงายม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษถึงม้าพยศข้อที่สภิกษุทั้งหลายผู้ภิกษุนทั้งหลายโจทย์พิสูตรูปหนึ่งด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้นถูกพิสูุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัตอยู่กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียนําเอาเรื่องนอกเรื่องมาพูดแทนแสดงท่ากโกรธประทุษร้ายอาการน้อยใจให้ปรากฏ ภิกษุทั้งหลายเปรียบแด้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตกว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมแกล้งเดินให้ผิดทางทำให้รถตะแคงนายภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี้เป็นโทษแห่งบุรพยศข้อที่สี่ ภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารธีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมกระโดดจนสุดตัวสุดเท้าม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี้เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่ห้าภิกษุทั้งหลายผู้ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัตภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทด้วยอาบัตอยู่ กลับโครงกายไกวแขนพูดในถ้ำกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสาร์ธีตือนด้วยประตากว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมกระโดดจนสุดตัวสุดเท้าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี้เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่ห้า สายบางเหียนพิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเติมด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วก็ไม่แยแสต่อประตักกลับกัดสายบางเหียนวิ่งตเตลิดไปตามปรารถนาของมันม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี้เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่หภิกษุ์ทั้งหลายผู้ภิกษุทั้งหลายโจดภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัต ภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจดด้วยอาบาดอยู่ก็ไม่ใยดีต่อสงฆ์ไม่เอื้อเฟื้อต่อโจดหลีกไปทั้งทั้งที่ตนยังมีอาบัติติดตัวอยู่ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วก็ไม่แยแสต่อประตักกลับกัดสายบางเฮียนวิ่งเตลิดไปตามปรารถนาของมันภิกษุทั้งหลายเล่ากล่าวนาบวดนี้ว่า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 ม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถิเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วก็ไม่ยอมก้าวเดินหน้าไม่ยอมถอยกลับหลังยืนนิ่งอยู่ราวกับหลักที่ปักไว้ในที่นั้นฉะนั้นม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี้เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่เจ็ดภิกษุทั้งหลายผู้ภิกษุทั้งหลายโจภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัต ภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจวดด้วยอาบัติอยู่ก็ไม่ยอมกล่าวว่าตนต้องอาบัติหรือไม่ต้องอาบัติภิกษุรูปนั้นย่อมทําให้สงลําบากด้วยความเป็นผู้นิ่งไม่ยอมพูดของเธอภิกษุทั้งหลายเปรียบแรกขบมาพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วก็ไม่ยอมก้าวเดินหน้าไม่ยอมถอยกลับหลังยืนนิ่งอยู่ราวขบหลักที่ปักไว้ในที่นั้นฉะนั้น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 ภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกในสารถีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วมันกลับคุกเท้าหน้าคุกเท้าหลังหมอบทับเท้าทั้งสีในที่นั้นเองม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี้เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่แปดภิกษุทั้งหลายผู้ภิกษุทั้งหลายจวภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัต ภิกษุรูปนั้นโทรภิกษุทั้งหลายโจดด้วยอาบัติอยู่กลับกล่าวเสียอย่างนี้ว่าทำไมหนอพวกผู้มีอายุทั้งหลายช่อบพานหาเหตุใส่ตัวเราหนักไปนักบัตินี้เราขอเวลาพอเราได้บอกเลิกศีกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งคารหาเสียก่อนเท่านั้นดังนี้แล้วต่อมาภิกษุนั้นก็บอกเลิกศีกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัดแล้วยังแถมเยอะเย้ให้ว่า ทีนี้พวกท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพอใจกันเถิดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กลับมาพยจ ต, ตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วมันกลับคุกเท้าหน้าคุกเท้าหลังหมอบทับเท้าทั้งสี่ในที่นั้นเองภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยจเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้ นี้เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่8ปดแลผู้มีความจำเป็นต้องคิดทำลายสงอานนภิกษุลามกเห็นอำนาจประโยชน์สี่อย่างเหล่านี้อยู่ จึงยินดีในการทําลายสงฆ์ให้แตกกันสอย่างอะไรกันเล่าสี่อย่างคือหนึ่งพิสุลามกในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็ชินแหนงตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยภิกษุลามกนั้นวันวิตกไปว่าถ้าหากภิกษุทั้งหลายจะรู้จักเราว่าเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกและถึงเปียกแฉะมีสัญชาติหมักมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยไสเมื่อภิกษุพร้อมเพียงกันดีอยู่ก็จะทาเราให้ขาดสิทธิในความเป็นภิกษุได้ แต่เมื่อแตกกันเสียก็จะไม่อาจาทำเราให้ฉีบหายดังนี้ภิกษุลามกมองเห็นอำนาจประโยชน์อันนี้เป็นข้อแรกจึงยินดีในการทำลายสงฆ์ 2. อ, อีกข้อหนึ่งภิกษุลามกเป็นคนมิฉาทิฐิประกอบด้วยความเห็นที่แล่นดิ่งไปยึดเถือเอาที่สุดตงข้างใดข้างหนึ่งภิกษุลามกนั้นวันวิตกไปว่าถ้าหากภิกษุทั้งหลายจะรู้จักเราว่าเป็นคนมิฉาทิฐิ ประกอบด้วยความเห็นที่แล่นดึงไปยึดถือเอาที่สุดตรงข้างใดข้างหนึ่งไซส์เมื่อภิกษุพร้อมเพลียงกันดีอยู่ก็จะทำเราให้ฉีบหายได้แต่เมื่อแตกกันเสียก็จะไม่ทำเราให้ฉีบหายดังนี้ภิกษุลามกมองเห็นอำนาจประโยชน์อันนี้เป็นข้อที่สองจึงยินดีในการทำลายสงสามอีกข้อหนึ่งภิกษุลามกเป็นคนเลี้ยงชีวิตผิดทางเป็นมิจฉาอาชีพ ภิกษุลามกนั้นวันวิตกไปว่าถ้าหากภิกษุทั้งหลายจะรู้จักเราว่าเราเลี้ยงชีวิตผิดทางเป็นมิจฉาอาชีพไซเมื่อภิกษุพร้อมเพลียงกันดีอยู่ก็จะทำเราให้ฉิบหายได้แต่เมื่อแตกกันเสียก็จะไม่ทำเราให้ฉิบหายดังนี้ภิกษุลามกมองเห็นอำนาจประโยชน์อันนี้เป็นข้อที่สจึงยินดีในการทำลายสมสีอีกข้อหนึ่ง ภิกษุรามกเป็นคนปราถนาลาบปราถนาสักการะปราถนาเสียงเยืนยอภิกษุรามกนั้นวันวิกตกไปว่าถ้าหากภิกษุทั้งหลายจะรู้จักเราว่าเป็นคนปราถนาลาบปราถนาสักการะปราถนาเสียงเยืนยอไซเมื่อภิกษุพร้อมเพียงกันดีอยู่ก็จะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแต่เมื่อแตกกันเสียก็จะสักการะเคารพนับถือบูชาเรา ดังนี้พิกษุลามกมองเห็นอำนาจประโยชน์อันนี้เป็นข้อที่สจึงยินดีในการทำลายสงอานนพิกษุลามกเห็นอำนาจประโยชน์สี่อย่างเหล่านี้แลจึงยินดีในการทำลายสง์นนหงหง ใ, สงให้แตกกัน ผู้จมมิตอยู่ในหลุมคูดอานนท์ภิกษุรูปนั้นเฉลอยจะเป็นพระใหม่บวชยังไม่นานหรือว่าเป็นพระเถระผู้พาลผู้เคลาข้อที่เราพยากรณ์โดยส่วนเดียวแล้วจะ ก, กลับกลายไปเป็นสองส่วนได้อย่างไรอานนท์เรายังไม่มองเห็นคนอื่นแม้สักคนหนึ่งซึ่งเราได้วินิจฉัยประมวลเหตุการณ์ทั้งปวงแล้วจึงพยากรณ์ไว้อย่างนั้นเหมือนอย่างเทวทัตอานนท์ ตราบใดเรายังมองเห็นธรรมขาวของเทวทัตแม้เพียงเท่าปลายแหลมสุดแห่งเส้นขนตราบนั้นเราก็ไม่พยากรณ์เทวทัตว่าเทวทัตต้องไปเกิดในอบายเป็นสัตว์นรกตั้งอยู่ชั่วกับหนึ่งช่วยเหลืออะไรไม่ได้ก่อนอานนท์เมื่อใด แ, แลเรามองไม่เห็นธรรมขาวของเทวทัตแม้เพียงเท่าปลายแหลมสุดแห่งเส้นขนเมื่อนั้นเราจึงพยากรณ์เทวทัตว่า เทวทัตต้องไปเกิดในอบายเป็นสัตว์นรกตั้งอยู่ชั่วกับหนึ่งช่วยเหลืออะไรไม่ได้อาโนนเปรียบเหมือนหลุมคูดลึกชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูดจนเปรีมขอบหลุมบุรุษคนหนึ่งพึงตกลงไปในหลุมคูดนั้นจนมิดทั้งตัวยังมีบุรุษบางคนหวังประโยชน์เกื้อกูลหวังความกเกษมสําราญจากสภาพเช่นนั้นหวังจะช่วยยกเขาขึ้นจากหลุมคูดนั้นบุรุษนี้จึงเข้าไปใกล้ เดินเวียนดูรอบๆหลุมคูนั้นมองไม่เห็นอวัยวะของคนในหลุมนั้นแม้เพียงเท่าปลายแหลมสุดแห่งเส้นขนที่ยังไม่ได้เปื้อนคูดซึ่งตนพอจะจับยกขึ้นมาได้ข้อนี้ฉันใดอานอน์เมื่อใดเรามองไม่เห็นธรรมขาวของเทวทัตแม้เพียงเท่าปลายแหลมสุดแห่งเส้นขนเมื่อนั้นเราจึงกล้าพยากรณ์เทวทัตว่าเทวทัตต้องไปเกิดในอบายเป็นสัตว์นรกตั้งอยู่ชั่วกลับหนึ่ง ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ฉันนั่นแหละสันดานกาภิกษุทั้งหลายกาเป็นสัตว์ที่ประกอบด้วยความเลวสิประการสิประการอะไรกันเล่าสิประการคือหนึ่ง กาเป็นสัตว์ทำลายความดี 2. กาเป็นสัตว์ขนอง 3. กาเป็นสัตว์เยอยตยาน 4. ี่กาเป็นสัตว์กินจุ 5. กาเป็นสัตว์หยาบคาย 6. ก, กาเป็นสัตว์ไมฆกรุณาปราณี 7. กาเป็นสัตว์ทุรพลแปกาเป็นสัตว์ร้องเสียงอึง่ง 9. ก้ า, กาเป็นสัตว์ปล่อยสติ 10. กาเป็นสัตสสมของกินภิกษุทั้งหลายกาเป็นสัตว์ที่ประกอบด้วยความเลวสิประการเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกก็เช่นเดียวกับกานั่นแหละเป็นคนประกอบด้วยอัธรรม10ประการสิประการอะไรกันเล่า10ประการคือ 1. ภิกษุลามกเป็นคนทําลายความดี 2. ภิกษุลามกเป็นคนขนอง 3. ภิกษุลามกเป็นคนทถเยอทะยาน 4. ีภิกษุลามกเป็นคนกินจุ 5. ้ภิกษุลามกเป็นคนหยาบคาย 6. กภิกษุลามกเป็นคนเมตกรุณาปราณี 7. จภิกษุลามกเป็นคนทุรพลแปดภิกษุลามกเป็นคนผู้เสียงเอิง 9. เภิกษุลามกเป็นคนปล่อยสติ10 พิสุลามกเป็นคนสะสมของกินพิสุทั้งหลายพิสุลามกเป็นคนประกอบด้วยอาสัตธรรมสิประการเหล่านี้แหละพระรังโรกพิสุทั้งหลาย โรคสองอย่างเหล่านี้มีอยู่สองอย่างอะไรกันเล่าสองอย่างคือโรคทางกายกับโรคทางใจภิกษุทั้งหลายย่อมเห็นกันอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันถึงความไม่มีโรคทางกายตลอดหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้าง ห้สิบปีบ้างร้อยปีบ้างและที่ยืนยันถึงความไม่มีโรคทางกายยิ่งกว่าร้อยปีบ้างก็พอจะหาได้ภิกษุทั้งหลายแต่หมูสัตว์ที่จะกล้ายืนยันถึงความไม่มีโรคทางใจแม้ชว่วงเวลาเพียงครู่เดียวเว้นแต่พระขีนาสพแล้วนับว่าหาได้แสนยากในโลกภิกษุทั้งหลายโรคของบรรพชิสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างอะไรกันเล่า 4อย่างคือ 1. ภิกษุในกรณีนี้ ine, เป็นผู้มากมากมีความร้อนใจเพราะความมากมากอยู่เสมอไม่รู้จักพอด้วยผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและอยูกยาแก้ไข่ตามมีตามได้ 2. ภิกิุนั้นเป็นผู้มากมากมีความร้อนใจเพราะความมากมากอยู่เสมอไม่รู้จักพอด้วยผ้านุ่งห่ม haz, อาหารที่อยู่อาศัยและอยูกยาแก้ไข้ ตามมีตามได้แล้วย่อมตั้งความปรารถนาลามกเพื่อจะได้ร <4. S 2> ับการคอยเอาอกเอาใจจากคนอื่นและเพื่อจะได้ราบสักการะและเสียงเยินยอ 3. ภิกษุนั้นย่อมวิ่งเต้นขวขวายพยายามเพื่อจะได้รับการเอาอกเอาใจจากคนอื่นและเพื่อจะได้ราบสักการะและเสียงเยินยอ 4. ภิกษุนั้นย่อมคิดวางแผนการเข้าสู่สกุลย่อมคิดวางแผนการนั่งในสกุล ย่อมคิดวางแผนการกล่าวทรรในสกุลย่อมคิดวางแผนการทนกลั่นอุจาระปัสสาวะคลุกคลีอยู่ในสกุลภิกษุทั้งหลายโรคของบัรพรชติสี่อย่างเหล่านี้แหลภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนีจอใจว่าเราทั้งหลายจะไม่เป็นผู้มากมากจากไม่เป็นผู้ร้อนใจพระความมากมากแต่เป็นผู้รู้จักพอด้วยผ้า น, นุ่งห่ม อาหารที่อยู่อาศัยและอยู่ยาแค่ไขตามมีตามได้จกไม่ตั้งความปรารถนาลามกเพื่อให้ได้รับการคอยเอาอกเอาใจจากคนอื่นและเพื่อให้ได้ลาบสักการะและเสียงยืนยอจกไม่วิ่งเต้ น, นขนควายพยายามเพื่อให้ได้รับการคอยเอาอกเอาใจจากคนอื่นและเพื่อให้ได้ลาบสักการะและเสียงยืนยอจะเป็นผู้อดทนต่อนหนาวร้อนหิวระหาย ต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทั้งหลายต่อถ้อยคำหยาบคลายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดทนต่อเวทนาที่เกิดในกายอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนขมขื่นไม่เจริญใจถึงขนาดจะฆ่าเอาชีวิตเสียได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหล ควรอยู่ในอคอกไปก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเป็นผู้ที่ยังไม่ค้นได้รับการปล่อยออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวก่อนเหตุห้าอย่างอะไรกันเล่า 5. อย่างคือ 1. เธอยังไม่รู้จักพอด้วยจีวรตามมีตามได้ 2. เธอยังไม่รู้จักพอด้วยอาหารบินทบาทตามมีตามได้ 3. เธอยังไม่รู้จักพอด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ 4. เธอยังไม่รู้จักพอด้วยคีราณปัจจัยเพศสา ร, รประขารตามมีตามได้ 5. เธอยังมีความคิดหนักไปในทางกางอยู่มากภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แลเป็นผู้ที่ยังไม่ควรได้รับการปล่อยออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวก่อน เียรตครานตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายเมื่อพิกษุกําลังเดินอยู่ถ้าเกิดคลุ่นคิดด้วยความคลุนคิดในกามหรือคลุนคิดด้วยความคลุนคิดในทางเดือดแคลนหรือคลุนคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทํ า, ทาผู้อื่นให้ลําบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็รับเอาความคลุนคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทําให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำลังเดินอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียนเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนเกียดคร้านมีความเพียนอันเลวสามอยู่หนึ่งนิดเมื่อพิสุกำลังยืนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกลางหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแทนหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทาผู้อื่นให้ลาบากเปล่าๆขึ้นมา และภิกษุก็รับเอาความคลุ่นคิดนั้นไว้ไม่สะละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังยืนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนเกียรคร้านมีความเพียรอันเลวสามอยู่เนืองนิดเมื่อภิกษุกาลังนั่งอยู่ถ้าเกิดคลุนคิดด้วยความคลุนคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือคลุ่นคิดด้วยความคลุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็รับเอาความคลุ่นคิดนั้นไว้ไม่สะละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทาความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนเกียรคร้าน มีความเพียรอันเลวซามอยู่หนึิทเมื่อภิกษุกําลังนอนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทําผู้อื่นให้ลําบากเป่าเปล่าขึ้นมาและภิกษุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทําให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กําลังนอนอยู่ก็เรียกว่า เป็นผู้ไม่ทาความเพียนเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนเกียริคร้านมีความเพียนอันเลวสามอยู่หนึ่งนิดลิงติดตังภิกษุทั้งหลายประเทศแห่งคุนเขาหิมะาน อันเป็นประเทศที่ครุขระไม่สม่ำเสมอไปลำบากไม่เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงหลิงและของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ที่เป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิงแต่ไม่เป็นที่เที่ยวไปของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่และภูมิภาคแห่งขุนเขาหิมพานซึ่งราบเรียบเป็นที่น่ารื่นรมซึ่งเป็นที่เที่ยวไปได้ทั้งของฝูงลิงและของหมู่มนุษยก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายในที่นั้นแหละ พวกพรานวางตังเหนียวไว้ในกลางทางเดินของลิงเพื่อดักลิงบรรดาลิงฝงนั้นลิงตัวใดไม่เป็นชาติลิงโง่ไม่เป็นชาติลิงโลเลลิงนั้นเห็นตังเหนียวนั้นแล้วย่อมเว้นออกไกลทีเดียวส่วนลิงตัวใดเป็นชาติลิงโง่เป็นชาติลิงโลเลลิงนั้นเข้าไปใกล้ตังเหนียวนั้นแล้วก็เอามือจับดูมือนั้นก็ติดตังมันจึงเอามือข้างที่สองจับด้วยตั้งใจว่า จากเปลืองมือข้างที่ติดตังออกมือข้างที่สองนั้นก็เลยติดตังเข้าด้วยมันจึงเอาเท้าข้างหนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจากช่วยเปลืองมือทั้งสองที่ติดตังออกเท้านั้นก็เลยติดตังด้วยมันจึงเอาเท้าที่เหลืออีกข้างหนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจากช่วยเปลืองมือทั้งสองกับเท้าข้างหนึ่งออกเท้าข้างที่สองนั้นก็เลยติดตังเข้าอีกมันจึงเอาปากกัดด้วคิดตามระษาของมันว่า จากช่วยเปลืองมือทั้งสองและเท้าทั้งสองที่กำลังติดตังอยู่ออกปากนั้นก็เลยติดตังเข้าอีกด้วยภิกษุทั้งหลายลิงตัวนั้นถูกตังเหนียวตรึงห้าประการด้วยอาการอย่างนี้นอนถอนใจใหญ่อยู่ถึงความพินาศย่อยยับแล้วตามแต่นายพรานจะทําประการใดภิกษุทั้งหลายนายพรานแทงลิงตนนั้นแล้วยกขึ้นจากตังไม่ยอมทิ้งที่ไหนหลีกไปสู่ที่ตามต้องการ ภิกษุทั้งหลายเพราะข้อที่ลิงเที่ยวไปในถิ่นเอินซึ่งเป็นที่ไม่ควรเที่ยวไปจึงเป็นได้ถึงอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยคนเที่ยวไปเมื่อเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยคนเที่ยวไปมันจกได้ช่องทางมันจกได้โอกาสทาตามอาเภอใจของมันภิกษุทั้งหลาย ก็วิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยคนเที่ยวไปของพิกษุเป็นอย่างไรเล่าวิสัยอื่นนั้นได้กแก่กลามคุณห้ากลามคุณห้าอย่างไรกันเล่าห้าอย่างคือรูปที่จะพึงเห็นด้วยตาเสียงที่จะพึงฟังด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้สึกด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้สึกด้วยลิ้นโผฏฐะทัศน์ที่จะพึงรู้สึกด้วยกายทั้งห้าอย่างนี้อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาะรักใคร่ชอบใจ เป็นสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้รักเข้าไปตั้งอยู่ด้วยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุเลย ลาสึกเพราะติดเมาภิกษุทั้งหลายความเมาสามอย่างนี้มีอยู่สามอย่างอะไรกันเล่าสามอย่างคือความเมาว่ายังหนุ่มอยู่ความเมาว่ายังไม่มีโรคเปียดเบียนความเมาว่ายังมีชีวิตอยู่ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สับธรรมมัวเมาด้วยความเมาว่ายังหนุ่มอยู่ย่อมประพฤติุจริทางกายประพฤติุจริทางวาจา ประพฤติทุจริตทางใจครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วภายหลังแต่ตายเพราะการแตกทําลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตเนรกภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมมัวเมาด้วยความเมาว่ายังไม่มีโรคเบียดเบียนย่อมประพฤติทุจริญทางกายประพฤุทธเจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจ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 ภายหลังแต่ตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มัวเมาด้วยความเมาว่ายังหนุ่มอยู่มัวเมาด้วยความเมาว่ายังไม่มีโรคเบียดเบียนมัวเมาด้วยความเมาว่ายังมีชีวิตอยู่ย่อมบอกเลิกสิกขาเหมือนกลับคืนไปสู่เพศ ต, ตามแห่งครหัดตามเดิมแลมัวที่แปดจบ